ตอนที่เจ็ิบหกเกือบถูกตีตายแม่หลิวมองเขาด้วยสายตาประหลาดเฮ่อย่าคิดว่ามาทําเป็นบ้าไปอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะยอมยกโทษให้ลูกสาวชันิงท้องลูกของแกอยู่แกทนเห็นนางเข้าไปติดคุกติดตารางได้ยังไงผมเป็นคนส่งนางเข้าคุกนั้นเหรอโจวเจี้ยนเย่ ย, ย้อนถามแม่หลิวถลึงตาใส่แล้วมันไม่เกี่ยวกับแกเลยหรือไงเกี่ยวสิเกี่ยวกับผมแน่นอนอยู่แล้วมุมปากของโจวเจี้ยนเย่ ย, ยกักโค้งเป็นรอยยิ้มเย้ยหยัน ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของผมก็คือการที่คุมลูกสาวของแม่ไม่ได้ปล่อยให้นางไปทําเรื่องโง่ๆแบบนั้นลูกสาวฉันแต่งกับแกก็พระนางตาบอดฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายแกจะไปลากตัวลูกสาวฉันออกมาจากข้างในนั้นได้ไหมแม่หลิวไม่ยอมเสียเวลาเถียงกับเขาต่อตอนนี้นางเห็นหน้าโจจีจ้นเี้แล้วรู้สึกสะอิสเอียนคนเราก็แค่หน้าตาดีหน่อยไม่ใช่หรือไงนอกจากหน้าตาแล้วก็ไม่มีข้อดีอย่างอื่นเลยผมไม่มีปัญญา หากโจเจี้นเยี่ยมีวิธีเขาคงทำไปนานแล้วจะต้องรอจนคนตระกูลหลิวบุกมาถึงบ้านทำไมตอนนี้ในเขตทหารเขาไม่ได้เป็นแม่แต่ผู้พันโจแล้วด้วยซ้ำอีกไม่นานคงถูกบังคับให้ลาออกจากกองทัพได้ในเมื่อแกบอกว่าไม่มีปัญญาแม่หลิวชี้หน้าเขาก่อนจะหันไปเรียกญาติพี่น้องที่พามาด้วยรุมมันเลย โจจีน้นี้สองหมดัดมีอัดต้านทานสี่หัดคนตระกูลหลิวลงมือหนักหวังเอาตายจริงๆพวกเขาซ้อมจนเขาล้มฟุบลงกับพื้นลุกไม่ขึ้นแม่หลิวถึงได้พึงพอใจและพาทุกคนจากไปตอนนี้โจจี้แยกไม่ออกแล้วว่าที่เขารู้สึกอยู่คือความหนาวเหน็บหรืออะไรกันแน่ทั่วทั้งร่างชาญหนึบไปหมดเขาหลับตาลงพรางสูดลมหายใจเข้าลึกๆลมหายใจนั้นต้องแบ่งเป็นหลายช่วงกว่าจะหายใจได้ทั่วท้องเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายจากจิตใจที่เข้มแข็งคลานเข้าไปในบ้านหาคืนนี้เขานอนตากลมอยู่กลางลานบ้านพรุ่งนี้เช้าคงไม่ได้เห็นแสงตะวันอีกแน่ โจเจียนเยนนอนสลบสลายอยู่บนเตียงที่เย็นเฉียบในหัวพล น, นึกถึงหลีชิงผิงนึกถึงหลีวันความรู้สึกขมขื่นในใจยังคงไม่จางหายไปเสียทีวันที่สามหนิวซูเฟิร์นก็มาถึงนางมาด้วยความบังเอิญแท้ๆหลายวันมานี้นางรู้สึกไม่สบายใจเลยคิดจะมาดูเสียหน่อยนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นลูกชายถูกตีจนหน้าตาปูดบวมเขียวช้ำนางแผดเสียงร้องให้ออกมาทันทีลูกแม่เจ้าไปทาอะไรมา ตอนแม่กลับไปยังดีๆอยู่เลยทำไมถึงกลายเป็นสภาพนี้ไปได้แล้วหลิวเครอรเคอละ่ะนางดูแลเจ้ายัางไงถึงปล่อยให้เจ้าอยู่บ้านคนเดียวไม่ดูดำดูดีแบบนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ เป็นครั้งแรกที่โจเจียนเย่ยรู้สึกว่าแม่ของเขาไม่หนกหูสองวันที่เขานอนซมอยู่บนเตียงเวลาเหนื่อยหรือกระหายน้ําเขาก็ต้องฝืนสังขารลุกขึ้นมาดื่มน้ําเย็นกัดโวโวโโถที่แข็งยิ่งกว่าก้อนหินประทังชีวิตแล้วกลับไปนอนต่อพอแม่มาถึงในที่สุดเขาก็ได้ดื่มน้ําอุ่นเสียทีร่างกายที่แข็งทื่อเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างอย่าร้องผมยังไม่ตายโจเจียนเย่ยเพยายามขยับปากพูดอย่างยากลําบากแม่น้ําผมอยากดื่มน้ําอีกโอโอไดดๆนี้น้ำที่แม่พกมาเอง เจ้าดื่มหมดไปแล้วเดี๋ยวแม่ไปต้มให้ใหม่นะพอได้ยินลูกชายบอกว่าอยากดื่มน้ําหนิวซูเฟินก็รีบลุกออกไปต้มน้ำร้อนทันทีแต่นางกลับมาเร็วมากเพราะที่บ้านไม่มีฟืนเลยจุดไฟไม่ได้ลูกเ อ, อ๋ยรอเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่ไปข อ, อน้ำร้อนจากเพื่อนบ้านแถวนี้ก่อนแม่จะรีบ ก, กลับมานะโจเจีนเ้นี้ไม่ได้พูดอะไรหนิวซูเฟินวิ่งออกไปไม่รู้ว่าไปข อ, อน้ําร้อนจากบ้านไหนมาแต่สุดท้ายโจเจี้นเี้ก็ได้ดื่มน้ําร้อนสมใจเขาดื่มน้ํารวดเดียวหมดแก้วใหญ่หนิวซูเฟินประคองเขาให้นั่งดีๆ ไม่ได้แล้วสภาพแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวแม่ไปยืมรถสามล้อก่อนนะเราไปโรงพยาบาลกันไม่ต้องโจจี้เยนเยงคว้าแขนแม่ไว้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเขาหยุดพักหายใจครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วแม่ผมไม่มีเงินไปโรงพยาบาลหรอกเรื่องเงินเจ้าไม่ต้องห่วงแม่พกเงินมาด้วยเดี๋ยวแม่ให้เจ้าเองนิวซูเฟินน้ำตาร่วงเพาะสงสาร ล, ลูกชายที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้นางยังไม่มีโอกาสถามเลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ ครั้งนี้แม่พกเงินมาเท่าไหร่โจเจี้ยนเย่กลุ่มหน้าอกพรางพยุงตัวนั่งให้ตรงขึ้นอีกนิดพอให้เจ้าหาหมอแน่นอนถ้าไม่พอเดี๋ยวแม่ให้น้องสาวเจ้าส่งมาให้เพิ่มแม่ถ้าเงินก็นี้แม่ไม่มีที่ให้ใช้เอามาให้ผมเถอะผมจําเป็นต้องใช้โจเจี้ยนเย่พูดพลางหอบหายใจการใช้ชีวิตมันต้องใช้เงินเยอะเกินไปเคริรเคริรท้องใกล้คลอดก็ต้องใช้เงินบ้านมันหนาวต้องทําเตียงข้างก็ต้องใช้เงินแล้วยังต้องจ่ายค่าเชาวบ้านล่วงหน้าอีกมีแต่ที่ที่ต้องใช้เงินทั้งนั้นแล้วหลิวเค่ละ นางทิ้งเจ้าไว้ที่บ้านคนเดียวไม่สนใจยีดีเลยเหรอผู้หญิงคนนี้ช่างใจดําอมหัานักเป็นผัวเมียกันมาตั้งนานนางทิ้งเจ้าได้ลงคอ ย, ยังไงหนิวซูเฟิร์นร้องให้พลางพูดว่าลูกแม่แม่ดูคนผิดไปจริงๆถ้าเป็นหลีชิงผิงหละ่ะก็ผู้หญิงคนนั้นไม่มีทางทิ้งเจ้าแน่ๆตอนนี้พูดไปจะมีประโยชน์อะไรตอนนั้นแม่ไม่ใช่เหรอที่ไม่ชอบหลีชิงผิงพยายามทําทุกวิถีทางให้เราอย่า ก, กันตอนนี้แม่ก็ได้สมใจอยากแล้วนี่ โจวเจียนเ ย, ย่ไม่มีเรี่ยวแรงจะตัดพ้อแม่ของเขาแล้วเขาเพียงแค่พูดความจริงออกมาเท่านั้นนี่หนิวซูเฟินไม่รู้จะพูดอะไรดีได้แต่เสียใจที่ตอนนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเคอเคอไม่ได้บอกว่าจะไม่สนใจผมแต่นางถูกจับส่งสถานีตำรวจอีกหนึ่งเดือนถึงจะออกมาได้โจวเจียนเ ย, ย่เล่าต่อนาไปของเงินจากหลีชิงผิงแล้วเกือบจะทำร้ายเขาตระกูลเจิ้งเลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจตัดสินจำคุกหนึ่งเดือน ตอนนี้งานหน้า ก, กากของเคอเคอก็หลุดไปแล้วตําแหน่งผู้พันโจของผมก็เสียไปแล้วเราสองคนไม่มีรายได้เลยสักทางลำพังแค่งเงินเดือนทหารก็น้อยนิดอยู่แล้วแถมโจเจียนเยียยัยงต้องเอาไปใช้นี้ที่ติดค้างไว้อีกอะไรนะหัวใจของหนิวซูเฟิร์นหล่นวูบนางไม่คิดเลยว่าเรื่องจะกลายเป็นแบบนี้ตําแหน่งผู้พันของลูกชายหลุดไปแล้วนั้นเหรอหนิวซูเฟิรนถึงกับอึ้งจนทําอะไรไม่ถูกแล้วแผลพวกนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ คนบ้าหลิวเคอเคอมาตีพวกนั้นมันบ้าไปแล้วเหรอตีเจ้าจนสภาพนี้เจ้ายังเป็นลูกเขยพวกเขาอยู่นะทําไมถึงไม่เห็นหัวเจ้าขนาดนี้หนิวซูเฟินเคยคิดว่าเป็นคนอื่นตีหรือไม่ก็ลูกชายบาดเจ็บจากการไปปฏิบัติภารกิจแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงก็นึกไม่ถึงว่าจะเป็นฝีมือคนบ้าหลิวเคอเคอพวกนั้นลงมือหนักเกินไปแล้วตีคนดีๆจนปางตายแบบนี้ถ้าวันนี้นางไม่มาลูกชายคงต้องตายคาบ้านแน่ๆเจ้ารอยอยู่นี่นะแม่จะไปคิดบัญชีกับพวกมัน ไม่ต้องไปหลอกไม่อยาหาเรื่องให้ผมปวดหัวเพิ่มเลยเรื่องมันผ่านไปแล้วโจเจียนเย่ยังคงจับแขนหนิวซูเฟินไว้ไม่ปล่อยอีกอย่างพวกเขาคนเยอะขนาดนั้นแม่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาหลอกยาไปอารวาดเลยหนิวซูเฟินกอดโจเจียนเย่ยร้องให้อีกครั้งพวกมันกล้าดียังไงเดิมทีพวกเขาก็ไม่เห็นหัวผมอยู่แล้วคงหาเรื่องหาเหตุผลมาซ้อมผมสักมือตั้งนานแล้วพอซ้อมผมเสร็จพวกเขาก็คงหายแค้นเราเคริรเคริรออกมาเราค่อยใช้ชีวิตกันไปตามมีตามเกิด โจเจี้ยนเ ย, ย่พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงแม่รีบเอาเงินทั้งหมดที่มีให้ผมเถอะผมมีธุระต้องใช้จริงๆผมไม่มีทางเลือกแล้วได้ไม่มีปัญหาแม่จะเอาเงินเก็บทั้งหมดที่บ้านมาให้เจ้าเองเจ้าไม่ต้องรีบร้อนนะหนิวซูเฟินกลัวที่สุดคือการที่เขาเครียดเพราะมันจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของร่างกาย